ไม่ไม่ได้รับอิทธิพลจากจากสังขาญทั้งหลายรว่าสัมผัสรั่วตาลว่วหูที่ได้ยินแต่ข้าพเสงสัยว่าจิตที่ที่เกิดปัญญา น, นั้ น, ม, นมันมันมีลักษณะเป็นยางไร <c oughs> เพราะว่าเมือ่อเมื่อเราไม่จับชี้ไปจังวัน ผมเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้เพราะเราเห็นเราได้ยินเราได้ฟังแต่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนี้นเราไม่ให้สิ่งล่านี้มามีมิตรผลกับสิ่ถแล้วสิงจะเกิดปัญญาแล้วเมื่อเกิดปัญญาในลักษณะนี้ปัญญาเป็นอย่างไรครับมันก็ต่ อ, อย่างกันนะสมมติว่า ปัญญาที่ที่มีสิงภายนอกว่าเป็นอิทุกอุนนั้นเป็นปัญญายัางไงลองว่าดิในความเข้าใจของของกระผมะครับคือพอเราเห็นเราต้องสามารถเด็กคิดมีเหตุมีผลอมองเห็นความถูกต้องในเรื่องขายที่ที่เราได้มองเห็นได้ย็นได้ฟางได้คิดซึ่งกระผมเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั้น มันเป็นความเข้าใจในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่ได้ยินได้ฟังรู้วได้คิดจากสิ่งที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจว่าว่าปัญญาที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคือทีแรกมันก็มีอย่างที่ว่านะมันอาไปยสิ่งที่เราไม่ยินเข้าปจไหมล่ะมาใช้พิจารณาสิงนั้นพอจากนั้นแล้วมันก็ปล่อยของมันเข้ามา รอยมันเขามาด้วยความรู้แจ้งเห็จริงด้วยความรู้ชัดหายชังสายก็มาเข้ามาเี้มันก็มาเป็นปัญญาของตัเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรมากระทบกระเทือนมันก็พิจารณาขึ้นไปได้แต่เมื่อไม่มีภายนอกมันก็มีภายในเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้พิจารณาอยู่ได้เพียงแต่ภายในขันนี่มันก็พอตัวกันแล้วกับการพิจารณาเพราะภายในขัน ภายใจิตภายขันคือว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขันนี้ยังหล่อนมันก็แสดงตัวของมันหยุดแล้วเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาสังขานขันะมันแสดงมันอยู่เสมอปัญญาที่ควรแต่ขั้นนี้ก็ถือสิ่งที่ควรจต่สิ่งเหล่านี้หรือมีปัญญาที่เป็นขั้นนี้แล้วมันก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นงานทังตัวเอง โดยไม่ต้องไปอาศัยภายนอกตอนที่อาศัยภายนอกทีนั้นมันยังมีความเกี่ยวข้องพูพันกันอยู่ต้องพิจารณาเมื่อมันหมดความเกี่ยวข้องแล้วมันก็หมดปัญหามันก็ไม่พิจาราเท่นเดียวกับเรารับทานอาหารยังมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับอาหารประเภทใดอาหารประเภทนั้นก็สำคัญมีความจำเป็นสำหรับเรานี่พอพอกับอาหารประเภทนั้นแล้วมันก็ปล่อยทั้งมันปล่อยทั้งมันเข้ามาจนกระทั่งงหวานหวานประเภทใดที่ยัง มันพอแล้วมันก็ปล่อยก็ปล่อยจนกระทั่งปล่อยหมดเป็นความอิ่มขึ้นมามิปปัญญาของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นคือปัญญาที่ท่านอาจารย์พูดนี่คล้ายๆเลยขนมเขาสงสัยว่าคือผมจะพยายามอธิบายแต่ไม่แน่ใจว่าคงมีหลายหลายชั้นนะครับคือปัญญาที่ที่คิดเอาเองหรือว่าด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็อาจจะเป็นชั้นชั้นชั้นตื่น ทีนี้ปัญญาทีนี้มันเข้าใจว่าผมจะมีลึกๆ ล, กลกงไปอีกหลายชั้นก็เหมือนอย่างใช่ไหมนะครับถ้าจะนั่งกับการท่านท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมนะสติปัญญาธรรมดาเป็นเพื่อนุอคนทั่วไปสติปัญญาในภาคปฏิบัตินะขจับกัไปแล้วนะภาคปฏิบัติธรรมสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินะ่นอัตโนมัติคือว่าเป็นไปเองหมุนตัวไปเอง เราเรียกว่ามันละเอียดกว่าการประดิษฐ์หนักนถึงขั้นจนถึงขั้นเป็นไปเองคือลงเป็นไปเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ถึงจะเกิดเััคครรบบท่าอยเมื่อปัญญาถึงขั้นที่ทเป็นไปเองในที่นี่หมายถึงว่าสมองไม่มีบทบาทแล้ว้ครับไอ้เรื่องสมองมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะถ้าลงถึงขั้นปัญญาไปแล้วสมองไม่ไม่ท้ายจะแล้วไม่ไป มันมันเป็นของมันอยู่นี่เลยมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วแล้วเมื่อเกิดปัญญาแล้วครับจาการยอเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะมีการกระทํามีพฤติกรรมนั้นกป็ปัญญามันก็เป็นการกระทำของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าพฤติกรรมมันก็พฤติกรรมของในตัวของมันอยู่แล้ว ถ้อย่างนี้จะจะอธิบายคือคืออย่างนักวิทยาศาสตร์ที่คิดปรัมมโูได้นะครับชื่อไอน์สไตน์ทางทางพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเขาก็นึกไม่ออกว่าไอายตน์เนี่ยใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียกว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยปัญญาเนี่ย วิทยาศาสตร์มันคิดได้แค่นี้ได้สูงแค่นี้นะแต่ว่าที่ไอซายได้คิดไอไอทฤษฎีสัมพัสแล้วไปคิดปรมานูได้เนี่ย<ม>เขาเขาไม่เขาหาคํำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมจะคิดได้มันมันมันสูงไปกว่าไอที่คนธรรมดาจะได้คิดแล้วก็เลยออกมาเป็นสูตรได้ปรมานูทำให้<ม><ม>ทำให้ไปไปที่สูตร์พิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เดี๋ยวกับผมจะถามนะครับอ<ม>อันเนี้ ตรงช่วงที่มันว่างนี่มันสูงตรงนี้เนี่ยมันมีคําที่อธิบายไม่ได้อันนี้จะจะอธิบายด้วยว่าอันนี้คือปัญญาอันนี้ใช่หรือวม่ปัญญาชั้นสูงที่ว่าผมคิดว่ามีหลายชั้นอันนี้คือท่านสูงคือคือคือไ อ, อ, อสไตล์คนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งซึ่งเขาเขาเขาบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่านับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาไม่มีศาสนา แต่มีคนถามบอกถ้าหากว่าจะให้นับถือศาสนาอะไรก็บอกเขาเขาจะนับถือศาสนาพุทธเพราะเขาเห็นว่าพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาความเป็นจริงวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาคิดได้ตรงนั้นเนี่ยนักวิชาการอื่นเนี่ยเขาอธิบายไม่ได้ว่านักวิชาศารที่มีความรู้ชั้นยอดยอดเนี่ยมันรู้เลยแค่นี้แตะทำไมตรงนี้ที่มันนิดเดียวเนี่ยมันมันมันมันมันคล้ายๆกับมันเกิดอะไรแว๊ดเข้ามา อันนี้ก็ไม่ทราบจะอธิบายว่าอย่างไงที่เขาเรียกว่าภาษาสิทธิคล้ายๆกับว่าเออะไร intellectual intuition <c ười> คือมันมันคล้ายๆกับว่ามันอธิบายไม่ได้อันนี้อันนี้จะถือว่าเป็นปัญญาอย่างที่ขั้นสูงอันนี้อันนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่หรือเปลถ้าว่าอธิบายไม่ได้ก็ อ, อธิบายไปเรื่อยที่ว่างอะรอี <laughs> เทศสารหมู่เพื่อนนี่ก่อเทศพระพุทธเจ้าเทศเรื่องของปัญญาก็เป็นขั้นขั้ น, นอธิบายเยี่ยงนั่น อ, อธิบายแต่ว่าอธิบายไม่ได้มันอธิบายอยู่ทำทําไงท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์พูดถึงปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไครับปัญญาประเภทนี้เราแน่ใจว่าอย่างนั้นประเภทนี้น ะ, ะเพนะ ร, ะเราะ แ, แต่ก่อนๆนะไม่เคยปรากฏหนึ่งแม้แต่ในวงเวลาปฏิบัติ ยังเมืม่อไม่ถึงขั้นนี้ที่จะเป็นธีรมาอย่างนี้แล้วปัญญาขั้นนี้ก็ไม่มีไงทั้งท่านที่เราพิจารณาทางด้านธรรมะอยู่แล้วนะพิจารณาด้วยปัญญาทางด้านธรรมะอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้อีกแล้วเพอถึงขั้นนะี้จะให้มันเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้อีกแล้วมันก็เป็นนะไปเรื่อยๆการที่จะให้เกิดปัญญาอันนี้ได้สภาพสิทธต้องเป็นอย่างไรบ<ฆ>้างฮะการที่จะให้เกิดปัญญาในที่ท่านอาจารย์พูดได้สภาพสิทธจะต้องมีกุณฑลตุกัดอะไรบ้างหคือความสบ ท่านพูงว่าสมสถาวิปัสสนาพูดง่ายนะสมสถานี่เป็นพื้นในพันธันแต่แต่เราเว้นท่านผู้นั่นเสียนะเว้นคิด ป, ปัญญาเสียคือผู้ที่รู้ได้เร็วเอสมสถาวิปัสสนาจะวิ่งคลมกลืนกันไปในขณะนั้นแต่แล้วเพื่อ น, น, นเราทั่วๆไปที่พี่ร้านสมสถาเป็นพันธันที่เป็นราคฐานที่จะให้ปัญญานี้เคลื่อนตัวออกและเคลื่อนตัวไปเรื่อ ย, อยๆ เหมือนกับรถที่กาลังเริ่มออกก็เอือยเอือยก็พอออกเปนได้จังหวะแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งนีอาศัยสรมฐานพื้นธรรมฐานนี้เป็นพื้นฐานอันสาคัญที่จะยำปัญญาให้เกิดหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้เกิดได้เป็นอย่างดีธร ม, ถ า, ธมถานความสงบใจพอจังนี้แล้วปัญญาก็ค่อยเอือยเอือยออกตามขั้นของตัวเองพอพอมีกําลังแล้วที่นี้ปัญญาก็พุ่งพุ่งพุ่ ง, พ, งพุ่งเลยกลายเป็นปัญญาอัตโนมาต คำว่าปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัตินี่ท่านว่าแต่ก่อนขัง้งพุทธการท่านบอกมหาสติมหาปัญญาท่านว่าอย่างนั้นคือหมุนหมุนตัวเป็นเปลี่ยวอยู่ตลอดเวลาคือเป็นภปเองแตเวลาเนามาพูดในสมัยวันนี้บอกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้วน่าเหมาะมันก็เข้ากันนั่นเข้ากันนั่าา น, นแหละแล้เมืม่อเมื่อปัญญาเปัญญาอัตโนมัติที่ท่านอาจารย์พูดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มันจะอยู่ตลอดไปหรือว่าจะหมดหายไปได้หมดหายไปได้ในเมื่อหมดเหตุปัจจัยที่มันจะตามแล้วนะมันเหมือนกับไฟได้เชื้อนะเชื่อมีที่ไหนไฟเป็นลูกรามเป็นลูกลา ง, ลางล่พอพอเชื่อมันหมดไฟก็หมดอันนี้เป็นเป็นตปะปธรรมนี่เป็นปัญญานี่เป็นเหมือนกับไฟที่จะตามภาพพันธุ์ทะเลกับที่เหล็กคุณเนะี่ยท่านให้ชื่อว่าที่เหล็กเหนนะ คือเป็นเพื่อนหนึ่งที่จะให้ตามครับเมาทหาครปัญญาเป็นเพื่ออาหารลบล้างคุณยังไงนะฝุดพ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับที่แรกก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งมันเป็นสติอัจฉรมสติปัญญามันแญญามันเป็นไปเองจ้ว่าฝึกหรือไม่ฝึกก็ตามมันเพ่งข้ามาอย่างนั้นจนกระทั่งว่ามันจะสิ้นสุดกับสิ่งที่มันอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจหรือว่าอยากทําลายนั้นเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหยุด เราจะทําลายสิ่งนี้หรือเราจะให้รู้สิ่งนี้สิ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็หมุนมันจนจะเป็นลํำดับลำดาเข้าไปแล้วรู้สิ่งนี้แล้วละสิ่งนี้รู้นั้นละนั้นรู้นี้ถิงต่อยนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงหมดที่จะรู้หมดที่จะต่อยที่สติปัญญานี้ก็หมดที่นี่ยังไงครัสมมุตินะครับผู้จะเป็นอสงสมหรือว่าเป็นคารวะนี่ถ้าีถ้ามีการปฏิบัติถึงขั้นอย่างที่ทนาจารย์ว่านะครับ ทีนี้บังเอิได้รับไออุบัติเหตุทางสมองเมื่ออุบัติเหตุทางสมองเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ น, นี้หมายความว่าไอ้ที่ีฝึกนีมน่มันเรื่องที่เรื่องจิตนี่เพราะว่าอาผมก็เชื่อว่าไอ้สมองกับไอ้เรื่องจิตที่ท่านชี้อยู่ตรงในหัวใจเนี่มันมันมันเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่ามันอยู่คนละที่กัน ทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้นั้นนี่ได้รับปฏิบัติแล้วนี้บังเอิญมีเหตุออุบัติเหตุในทางสมองเกิดขึ้นเขาอาจจ ะ, ะที่การอะไรบางสิ่งบางอย่างความทรงจําอะไรเปลี่ยนไป เ, อ เ, อเคยมีนิสัยอะไรอย่างหนึ่งมันอาจจะไปอีกอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากที่เขาเคยปฏิบัติเขาเคยฝึกอยู่เป็นประจําแต่บังเอิญมันทันใด น, นั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอ ไอปัญญาเขาที่เขาเคยมีอยู่เนี่ยมันมันจะหมดไปไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกัอยอายกตัวอย่างนี้นะอายกตัวอย่างนี้เลยนะคืออันนี้มันเป็นเหตุที่จะพูดนะคือให้ยกเป็นเรื่องของธรรมกันแล้วกันนะอาจารย์ก็พอรู้สึกจะมีประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้นะเช่นในขณะที่จิตของเราเอาพูดง่ายๆมันจะตายนะพราะถึงขั้นจะตายมีเคยเป็นแล้วถ่ายท้องนะ ถ่ายท้องยี่สห้าหนอาไเจียนสองหนอาไเจียนขั้งสุดท้ายนี้่พอมันออกจากขอเอาไว จ, ออจากปากคุณยังไงนะมันพุ่งจนติดฝาความแรงของอาเจียนนะนั่นแหละทีนี้มันก็ อ, อ่อนอ่อนลงทันทีทุกขเวทนาดับหมดร่างกายนี้หมดอย่าว่าแต่สมองนี่มันมีกลไการร่างกายนี้เป็นท่อนฟืนทั้งท่อนท่อ น, ท, อนท่อนไม้ทั้งท่อนเลยครับ <c oughs> ไม่มีความหมายอะไรเลยนะร่างกายเนี่ย แ, แม่เขาจะมาตัดออกเวลานั้นก็เหมือนกขาตัดฟืน คือว่าทุกคเวทนาภายในร่างกายนี้ดับหมดนะ <ขอ S 1> ไม่มีเหลือเพราะร่างกายนี้หมดความหมายแตแล้วหูว่าหูหนวกมันเลยหนวกแล้วคุณงนะ่ายๆนะมันเป็นข้อไม้คุณงาานะ่ายๆเอาย่างนี้เลยนะตาบอดก็ไม่มีหูหนวกก็ไม่มีอะไรไม่มีมันเป็นข่อนไม้หมดในร่างกายแต่เวลานั้นขีดยังคลองตัวหย่งในร่างนลยนะดับนั้นรนะ่างกายส่วนสมองมันจะวิการด้วิวิการก็แล้วแต่จะพิจารณาตอนนั้นนะเมื่อมันหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว่า สมองมอันจะไม่หมดข้ามหมายได้งไงหมด อ, อ่าทีนี้พอถึงนี้อันนี้ไม่เห็นมีกลวิการอะไรนี่อชาติประชาชาติต น, นั้งจะไปเดี๋ยวนี้เฉรื่นมาไม่รู้อยังงท่านนะค <นะ S 2> <อ>ือมีแต่ความรู้หยู่ตรงนี้เท่านั้นดับ จ, จะ่ว่ารู้ตอนนั้นร่างกายหมดทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสในขณะที่ที่กําลังเครียดอยู่นั้นนะมันดับวูบเข้ามาคืออันนี้ความรู้เนี่ยความรับผิดชอบนี่ก็วูบเข้ามาความรู้เลยวูบเข้ามาอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเข้ามาตรงนี้อย่างเดียว การเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ได้หมายว่ามันอยู่ที่ตรงไหนไหนนะหากทราบแท้ๆอยู่ตรงนี้นั่นทำกลางาแห่งกองปืนพ่ังงานนั้นนี่มันก็ว่าท่อนปืน ม, มันอยู่นี่อันนี้หมดความหมายหมดแล้วแขนเราสมมติว่าจะตัดเวลานั้นตัดได้เลยนันหมดจริงๆแต่ความรู้นั้นไม่เห็นมีคนมีกาอะไร ม, มันก็รู้อิสระงมันอยูนน่นั้นนี่จะไปเดี๋ยวนเฉอๆมันปรุงได้อยนะู่นะนี่จะไปเดี๋ยวนี้เฉยๆเ้าไปก็ไปถ้าจะไปก็ไปสิกําหนดความรู้ย้ําของรู้ก็ปีไม่นานเดียวกับ ความรู language, language. Language. Language, an ้นั้นมันกระาทลงไปก่อนรับผิดชอบเรื่อนี่หูก็เริ่มได้ยินตาก็เริ่มเห็นแม้จะภาพทางก็เริ่มเห็นแล้วทุกเวทนาก็เริ่มเกิดในขณะที่มันหมดความหมายสู่อย่างภายในร่างกายนี้นับกต่สมองลงไปเลยวนะจิตไม่เห็นมีอาไรจิตแปลกไม่มีเลยนี่แล้วพอพูดยืนยันกันได้เท่านี้นะหมายถึงตามความจริงนะที่เป็นไม่มีอะไรจิตแปลกภายในจิต ที่คี่ผมถามนนี่ก็เพราะเห็นว่าตลากนยครับว่า เ, เ, เ, เวลาที่เราเรียนทางวิชาแพทย์ก็ดีหรือว่าคนธรรมดาสามัญก็ว่ามีสมองกับสมองมีสั่งสั่งกายแต่ทีเนื่องจากว่าท่านอาจารย์นี่เคยท่านเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผมฟังครั้งเดียวผมจําได้อืแล้วก็ที่ท่านคือบัณเอิญท่านเกิดขึ้นในตัวท่านเองก็ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่เกิดขึ้นในตัวเองว่านอกจากสมองกับกายแล้วเนี่ย ยังมีไอ้ดวงจิที่ไหมตอนแรกมหมดแลดับหมดแล้วแต่ว่ามันยังต้องการตรงนมันยังมีอยู่เืองมันก็มันก็ตรงที่ตัวจางต่างหวานอะไนีคือความยุ่ไม่ละปุนง่ายนะรู้อยู่อย่างนั้นรู้เฉพาะเพราะส่วนนี้มันหมดกม่อมไปแล้วทุกอย่างหมดแล้วแล้วความรู้ถ้าคือนั่นเราเราเราเราเนี่แต่เราไม่ว่าเก้าสิบเก้าเคืออันนี้ดับ จนกระทั่งถึงจะมาพูดกระหมูเพื่อนอย่างความเต็มความจริงผู้หนึ่งานแล้วลืออาฐานจำเที่ยของคุณทั้งหมก็ถูกนะพราะคนเรานี่ข้ามมีแค่ติหนึ่งนะเวลาจะตายแล้วทุกเวทนาต้องดับหมดมันนะต้องดับหมดมครับมีมีอีกอันนึ่ผมอยากจะกราบเรียนคือไม่สามารถจะอธิบายได้อย่างไรก็เลยพยายามที่จะหาคําอธิบายคือ เในขณะนี้มัน ม, มีมีเป็นองค์การอะไรอันหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าองค์การนี่ก็เป็นรสี<ม>เป็นชาวอินเดียซึ่งมีความรู้เป็นโยคีก็มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิปัสสนากรรมฐานในเรว่าสมาธิเขาก็พยายามไปเฉยแพร่ไอเรื่องของไอเรื่องสมาธิเนี่ยคือ แทนที่ว่าจะจะเป็นเรื่องของศาสนาเขาก็เขาเขาเขาคงจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอสมควรเขาก็เอาให้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาซะแล้วก็ก็ถือเป็นวิธีาาตรแล้วก็ทําให้มันง่ายๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเอาไว้สําหรับในการที่จะช่วยประสิทธิเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอะไรต่างๆและรวมทั้งเขาก็เชื่อว่า ถ้าหากว่าทุกกลุ่มคนอย่าง น, น้อยน้อยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนถ้าได้ถัดทำสมัสมถะสมาธิไม่เลือกชาติศาสนาสิ่งสิ่งเหล่านี้มาทำจะทำให้เกิดความสงบขึ้นในในในในในระแวกนั้นเขาบอกว่าเพียงหนึ่งเปอร์เนท่านั้นร้อยหนึ่งมีคนหนึ่งเพราะงักก้นถ้าเพือที่ไหนมีสักพันหนึ่งก็มีสักิคนเนี่ยมันจะทำให้ลดไอ ไอ้การทะเลาะวิวาสไอ้อาชญากรรมอะไรต่างๆทีนี่กผมก็เลยมามาดูเหตุการณ์ของบ้านเมืองเรานะครับจะอธิบายอยากจะปรึกษาว่าไอ้ถ้าตัวจะอธิบายอย่างนี้จะได้หรือไม่คือเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าพระสยามเทวาธิราชซึ่งอะไรก็ไม่ทราบ และอีกประการหนึ่งบางทีเราก็มักจะพูดว่าเอกบ้านเมืองไทยเราเนี่ยเราไม่เคยเป็นเอกเราไม่เคยเป็นเป็นเป็นทีน่ขาดอะรเราอยู่ได้ด้วยอิสระถึงแม้ว่าจะถูกขม่าลั่นสองครั้งก็ก็ก็มีคนดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในที่ลาวหรือในเขมรในยุ น, ใ, น ใ, ใกล้ๆบ้านแล้วก็เกิดตังขาวุ่นวายแล้วก็ตอนที่เขมรลาวยวน เกิดมีปัญหาเมื่อสักสามสี่ปีมาแล้วทุกประเทศในโลกบอกว่าเมืองไทยต้องไปแน่ภาษาก็ใช้คำว่าโดมิโนทฤษฎีของโดมิโนคือว่าล้มหนึ่ง 1, แ ล, ล, ง 2, ลง 3, ้วล้มสอง 4, 5, 6, ล้มสามเดี๋ยวล้มสี่ห้าหกล้มหมดที่นี่เมืองไทยไม่ไมเป็นอย่างนั้นมันจะลม้มมันจะลม้มแต่มันมีอะไรก็ไม่ทราบทีนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงก็ได้คุยๆกันแต่ผมก็คิดผมก็เลยนึกถึงท่านละ ท่านอาจารย์มั่นผมเขียนไว้ในหนังสือเพิ่มเติมมาที่ผมมาให้ท่านอาจารย์คือผมว่าท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันแล้วบังเอิญอาจจะเป็นโชคดีของเมืองไทยหรืออะไรก็ไม่ทราบลูกศิษย์ลูกค้าของท่านทั้งหลายนี่ท่านอยู่แนวตั้งแต่เหนือลงมาตะวันออกเฉียงเหนือตามป่าตามเขาตามที่ต่างๆเรื่อยลงมาถึงตะวันออก และที่ไหนที่อยู่ที่นั่นนะความสงบความสุบความร่วมลือของประชาชนความปกุณมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็ไม่กล้าคือมันมคล้ายๆเพรว่าไม่รู้มันจะมาทำอะไรกก็คนที่อยู่ในศีลในธรรมในลักษณะอย่างนั้นที่เห็นที่ชัดเจนที่สุดที่ที่วัดหินหมักเป่งฟังหนึ่งก็ท่านอาจารย์เทศ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวัดลงแต่มีทหารหลาวยืนถือปืนอยู่วันดีคืนดีก็ยิงปืนโป้งโป้งเข้ามาแต่ว่าทังฝั่งนี้ก็มีแต่ความสงบคนก็ไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังธรรมะอะไรต่างๆก็ดูเรียดน้อยดีแต่ฝั่งโน้นนี่คนผู้คนหนีหายไปหมดเลยมีทหารไปอยู่อยู่ที่วัดไม่มีพระแล้วมีแต่พระพุทธรูปพุทธรูปมีแต่ถูกทําอะไรบ้างก็ไม่ทราบเห็นเห็นกันอยู่ชัดๆอย่างนั้น ก็ก็เลยไม่รู้จะอธิบายว่าอย่งไรก็ก็อธิบายว่าอาจจะเป็นอาจจะใช้คําว่าอะไรบุญญาบา ร, รมีหรือว่าไอไอสิ่งอันนี้จะเป็นสาเหตุที่จะช่วยแล้วมันช่วยให้ให้ใหม้มีส่วนช่วยให้บ้านเมืองไทยไม่ไม่เป็นอย่างเอเวียดนามหรือไม่เป็นอย่างลาวเป็นอย่างเขมรซึ่งลมหายตา ย, ตายจากกันอย่างมากมายแล้วเกิด แล้วก็มีเรเ่ขวัดล้มหมดนะครับแล้วก็ถูกครอบํำด้วยรักที่ฝ่ายตรงข้ามไปก็แล้วแต่แต่ว่าเมืองไทยเราก็ก็ปลอดภัยเง่ อ, นอยนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไระแต่ว่าก็ไม่รู้จะอธิบายาอยังไงไอ้คำอธิบายอันนี้จะจะพอพอฟังได้ไหมได้คุณสักรึเปล่าท เ, เรื่องเราคนต้องกระตุกจังเลยดีกว่านี่คือความสงมเย็นเป็นจุดมุ่งหมายของคนนั่นแหละคนเปคนชั่วมันกระชบับเพราะความดีไม่ไปยั่วยุความคนให้ชัว่วมีแต่ความขั่วต่างหากมัวยะยุคนเป็นคนชัว่วความดีไม่ได้ยั่วยุให้คนเป็นคนชัว่วเพราะงั้ น, แบบนหลักฐานเราจึงครอบได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ ทันสมัยตลอดเรับเพราะเป็นความดีขาด <imiento> โลกไม่อื่มพอกับความดีอยู่แล้วแล้วทาไมศาสนาจะไเป็นภัยต่อโลกมันเหลือไม่นอกจากโลกมันคิดเองปัญหาเรื่องเองมันเป็นเรื่องขอ ง, ของโลกนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของความจรมันป็นเลือกเผ็ดการนเป็นเรื่องทํายีมันยานหนึ่งเฮ้ยอ่างหนึ่งร้อยคน แต่และร้ายคนแต่และคนให้มีหมอประจําประจำแต่ละคนแต่ละคนจะมีควา ม, งมสงบถูกมากกว่านี้โรคก็ไม่ระบาดขาวประชาไปมากมายอ่าพีอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วยิ่งย่นเข้ามาห้าสิบคนต่อหมอหนึ่งคนประชาชนห้าสิบคนต่อหมอหนึ่งคนแล้วเป็นยังไงคนจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราเทียบแผนแผนป่ดป่ดยที่เคยมีนะ น, น, น, นั่ น, น, ก, นก็เป็นอย่างนั้นที่ศาสนะก็เป็นอย่างนั้นทางกายครูบาอาจารแต่ละองค์นี่ก็เป็นเหมือนแม่เลย เป็นกําลังเครื่องดึงดูดปิดิการคนให้น้าําธรรมะสู่ความดีเนี่ยร้าใหญ่ให้น้ําสู่ความดีพระเจาจะเป็นของโลงถือท่านอย่างเดียวคนนั้นยังพอใจที่ทําความดีด้วยศ <c oughs> าสนาจึงมีส่วนสาคัญอยู่มากเกี่ับความร่มเย็นของโลกความสงบสุขของโลกแล้วเป็นไงที่พูดถึงย่อม ปัญญาทฤษนี้กับโยมที่อาจารย์อธิบายให้ฟังยกออกมาตัวอย่างมาให้เห็นเป็นอย่างนั้นคเก่าก็เป็นสมมติว่าเรียนนี่เราต้องใช้สมองะเป็นกระทั่งสมองทื่ออาจรย์เคเป็นนานๆเรียนนังถือมีจิตใจเหลือจใจเพื่องั่งนั่นะจะเอาให้ได้จะให้จาให้ได้ให้ได้ บิกบือนเรียนมาอยู่ไม่อยท่นี้สมองเลยทื่อไม่จําอะไรเลยเฉยครั้รงทำไมเป็นงี้อ่ะสมองหยุดไม่ทํางานกันแล้วเลยต้องอยู่เวล า, า, าเรียนต้องมั่นนะใช้สมองเต็มที่จเรียนทํามาก็ตามเรีนไรก็ตามต้องใช้สมองเต็มที่เหมือนกันหมดเพราะเป็นภาคความจำํำใช้ปัญญาทางโลกทางโลกมันก็ต้องใช้สมองอีกเพราะไม่รู้ว่า จุดนั้แทจริอยู่ที่ไหนมันมาเด่นอยู่แต่ที่สมองมันมาเด่นตรงนี้เท่งนั้นเฮ้ยพ อ, อเราบึิหารทางด้านจิตใจเข้าไปน่ความเด่นอันนี้นนมันค่อยจางไปจางไปลงมาอยู่จุดนี้แล้วอยู่ตรงนี้จุดนี้ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่นี้เด่นขึ้นอย่างไร อ, อันนี้ยิ่งลดลงลดลงลงลสุดท้ายเลยมาอยู่ที่ตุงนี้หมดครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาอะไรอะไก็ตามที่นี้หมายถึงปัญญาทางด้านธรรมะ ผลที่ท้ายเราคิดไปโลบๆลงใดนี่มันก็เลยไม่ขึ้นที่นี่นะมันก็เห็นเฉพัดอยู่ในคนคนเดียวนี่แหละแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมเคลื่อนที่ลงมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เห็นได้เฉพะอย่านี้รับนจะมีอะไรกระดิกนิดหนึ่งมันก็จะขึ้นที่นี่เลยไมนได้ขึ้นที่ไหนมันไม่ได้ขึ้นที่สมองเหมือนแต่ก่อนพูดอย่างนั้นนะแต่ก่อนเราก็เด่นชัดมันอยู่ที่นี่เด่นที่สุดให้ี้กนต่อ ม, มันก็ค่อยเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยมาอยู่ที่จุดนี้ทั้งหมดเลย ยาปกตินี่มันก็อยู่ที่ทนี่อันนี้ก็เลยก็เหมือนกับอะไรอวัยวะทั่วๆไปเสียคเ อ, อมีมีความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่และะ้วับเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่ต้องอะไรเห็น <c oughs> ลูกลูกกับผมเอง <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่ก็ไปไปไปฝึกเรียนวิปัสสนาแต่ไปไปปฏิบัตินะฮะในที่สผมราก่รที่โคราชเปนน็นหลักคาลูกษาซึ่ง <c oughs> <c oughs> เ่านศึกษาเรื่องนี้แล้วเคยบวชทีมาเพราะว่าก็ก็ปฏิบัติเหมือนก็บทำบุญเปิดเปิดบ้านให้แล้วท่านเป็นคนมีาอ ม, มีฐานะท่านอม่ไดิอะไรเลยก็เปิดบ้านแต่ความรู้สึกของเด็กสมัยนี้มักจะมองดูว่าคล้ายๆกับว่าอาจจะอยากจะเห็นอะไรที่ให้มันเป็นประโยชน์กับ ประเทศชาติกับบา้านเมืองให้มากกว่านั้นมองดูว่าอันนี้เป็นแน่นอนจริงๆเพราะฝึกแล้วก็ปฏิบัติแล้วนี่ความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าเอนี้เพื่อเพื่อตัวเองคล้ายๆกับมองดูเอนี่ น, น, นี่คล้ายๆก็ไม่เดยไม่เลยเพื่อที่จะบุคคลอื่นด้วยที่ก็เพราะขาเมื่อกี้นี้ก็ แล้วก็พอผมเล่ยกตัวอย่างถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วก็ลูกศิษยท่านที่ปฏิบัติมาก็อาจจะคือนอกจากว่าหลังผมผมพิยารณาตอบตอบคาถามลูกเนี่ยบอกไม่ใช่อย่างนั้นก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นนั้นหรือไหมครับเราเนี่ยจะต้องต้องต้องต้องดีซะก่อนเมื่อเมื่อดีแล้วเนี่ยก็ก็แน่นอนก็ก็ออกไปเทศนาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเหมือนกันคือเขาเขามองดูใ น, ใ น, ใ, นในอีกแง่หนึ่งว่าจริงอยู่ เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เกิดความไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่สบายอยากจะไปหาความสง บ, บหาความสุขทิ้งหมดเลยทิ้งทั้งเมียทั้งลูกทั้งใครเอาตัวเองออกไปเลยเขาเขาเาบองในแง่นั้นนะครับนี่แ้่ก็ผมก็พยายามที่จะตอบว่าอ้าวก็เสร็จแล้วก็เมื่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อทิ้งไปแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะเทศนาสั่งสอนอะไรต่างๆไปแต่มีอยู่อันหนึ่งฉะนั้นเราที่ท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่พึของตัวเอง อันนั้นึงเป็นเป็นของดีนะก็ต้องอธิบายเข้าไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อหันกลับมาพูดถึงว่าตามทฤษฎีที่กับผมคิดนะว่าท่านอุตส่าห์ไปทําไปแล้วก็มีรูกเสร็จลูกหาต่างๆก็อยู่ตามป่าตามเขาตามอะไรต่างๆนี่แล้วโดยเพราะอย่างนี้มันเอิญมันเอิญมันเป็นข่าวอีสานที่อยู่ในภาคที่เ อ, อมีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะ ให้มันเร็วขึ้นไปอีกก็ผมว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มันมากขึ้นเผยแพร่กระจายให้มากขึ้นก็ผมคิดว่าความสงบสุขนี่จะต้องเกิดขึ้นแบบบ้านเมืองโดยเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทีนี้ทีนี้จะมีวิธียังไงที่จะทําให้มันให้มันเร็วให้มันทําการหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็ผมคิดว่าประชาชนที่ที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยจะได้ ก็เรียกว่าอะไรได้ได้รับไอ้รักสมีได้รับไอ้บรารมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นเครื่องจูงใจเป็นเครื่องอบคุณให้ให้ให้กว้างขวางขึ้นให้มากขึ้นมันก็จะยิ่งดีขึ้นอันนี้ผมจะว่ามันจะมีวิธียังไงที่จะทำให้หรือว่าเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อได้ศึกษาเราเรียนจนล น, นแล้วเป็นยังไงก็คือจะได้ออกไปแต่ก็ผมทราบดีว่าหลายทันก า, ารย์ ก็ได้ออกไปดําเนินการอันนี้จะนี่เกร่งว่าหรือมันจะช้าไปถ้าเผื่อว่าได้มากเท่าไหร่แต่มันก็หมายถึงว่าเขาหมาย ไ, ไ, ไม่ได้คิดแต่เรื่องปริมาณอย่างเดียวเขต้องคิดเรื่องคุณภาพด้วยก็คงจะช่วยเป็นการเผยแท้ศาสนาแล้วนอกจากนั้ น, เ ป, นเป็นการเผยเป็นเป็นการเป็นธรรมทานแล้วทําให้เกิดความสง บ, บเกิดขึ้นทําให้คนอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นเพราะในขณะนี้เนี่ยเราก็รู้ไอ้อิทธิพลของ ไอ้ทางตะวันตกไอ้อิทธิพลต่างๆนี่ไอ้ความจเจริญมันขึ้นมาทางวัตถุเนี่ยมันมันมากเหลือเกินแล้วมันเร็วเหลือเกินจะทํำยังไงถึงจะให้ไอ้ทางด้านจิตนี่ให้มันเร็วพอๆกันมันก็จะได้ช่วยกันนี่กะผมคิดว่าคิดอย่างนี้ครัว่าจะมีวิธีอย่างไงที่จะให้มันเร็วขึ้นการนี้แล้วสอนพระ อ, อย่างนี้มันเร็วขึ้นความสติปัญญามันเร็ว อะไรจะยกมาทั้งสามโยกกระท่านมาหลอกมันก็ไม่ตื่นนบมันเร็วแล้วนั่นใช่ไหมล่ะอย่าว่าธรรมดาเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งถ้ายกมาทั้งสามโยกกระทานมาหลอกมันก็ไม่ตื่นนั่นคือสติปัญญามันพอแล้วมันเร็วแล้วนั่นมีการสอนพาอย่างนี้ให้มันเร็วนั่นแล้วเมื่อตัวเร็วแล้วสอนใครก็ได้ถ้ากเจ้าของม่มีอะไรแล้วแดบนบมือเปล่าไว้ให้เขาไม่ได้ต้องมีอะไรติดมือเจ้าของยื่นให้เขาะอกางที่ไปสอนคนถ้าเราไม่มีคุณงามความดีพอ เป็นหลักเป็นแหลกภายในจิตใจแล้วมันเจ้งทั้งนั้นเนี่ยหลักใจจะมีของสําคัญมากในการแนะนําสอนสอนคนทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่แต่ น, น้ำลายเถยต้องมีหลักใจคือว่านี่น่ะจริงอ่ะนากผู้ลงมาจะเอาแค่ไหนเอาแค่นี้ให้แค่นี้เอาแค่นี้ให้แค่นี้เอาเอาหมดเลยยวกให้หมดเลยเ อ, อาเอาฟาดมันเป็นเหนียวขนาดตามขัน้นตามผงผู้ม า, มาต้องการจะเอาแตอยูู่ก็จะไป ละลายกระปิใส่น้ำทะเลไปหมดนั่นโอ้โหเสียกระปิเปล่ามาละลายเส่ในถ้วยแล้วพอจะยิ้มน้ําพริกหน่ก็ดีมันก็ต้องเห็กระปิเป็นของน้าคันบ้างแล้วจย่ไปเห็นมังเป็นน้าทะเลเป็นของนําคันอย่างเดียวก็ไม่ถูกหมอว่าไงการหลังสารคนก็ต้องให้เหมาะกับคนที่คนจะรับแล้วพูดถึงองคศาสนาก็มีมามากแล้วถ้าหากว่าพระเนรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของศาสนา ตามหลักพุทธิเจ้าทรงสอนแล้วท่านเองก็ไม่ควรจะเลวไหลควรจะปฏิบัติตามหลักศาสนานั่นก็คือเป็นการประกาศศาสนาอยู่ในตัวแล้วแต่นี่ตัวเองก็ไม่ทำเลยไปสอนคนอื่นให้ดีไม่ดีถ้า ต, ตัวเองดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็นมาเนี่ไอ้อแหละไปโน้นกวจะขานนี้ไปนี่กวาจะขานโน้นเอาสมมุติว่าโยกไปมันทั้งว่าตบันตาสมมุติว่าเขานับถือว่าปบาบรรดาโยกวัดป่าบรรตาเพื่ท่ประกาศศาสนานะแล้ววป่าบรรตาล้างทำใหม่ผ้ากางมาเจอใครเห็นไปผ้าอยู่ในป่าเนะขาผ้ากางเดินไม่ได้นี่ว่าไงไปไหนก็นดดขึ้นลไป นั่นแหละภาค ก, กลางจะตายอย่าหาเรื่องให้ภา ก, กลางตายเลยถ <laughs> ้าคอีสานก็วิ่งเลยนะครับไปได้เขาป่าเขาโลก็ไปได้เพราะพวกนี้มันพวกกองทุกมันเคยแล้วถ้ากลางไปไหนนีจะขึ้นรถขึ้นลาไปเด็ก อ, อ, อาจารย์นักข้อไฟนั้นไม่ได้ประมาทพูดตามความคิดนี่มานี่เพียงไม่เห็นอาจารย์เท่า น, นั้นอุ้ยอ่อนเปียกไปหมดครับรถมาที่นี่ขึงขังต่างๆเพราะอาจารย์ไม่อยู่ฉนันก็อ่อนไปหมดแล้วว่างไง แ ล, แล้ววัดนี้ร้างแล้วพระอาจารย์เที่ยประกาศศาสนาเขามีป่าในเขานู่แล้วทําไงตายทําไงนั่นแล้ตายตายไปเรื่อยกันอันไดท่านหนึ่งท่านหนึ่งตายว่าไงดี่ะหมดทาตไม่ดีอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละเหมาะคนไหนองค์ไหนที่ท่านจะไปให้เป็นอัตยาสายองท่านคืออัตฉยะสายนี่เป็นไปได้ทำนี่เหมาะเหมาะยิ่งกว่าความใจทะยานที่เด็กแท้คนให้รวดให้เร็วอย่างนั้นนี่มันไม่เหมาะไม่ถึงอย่างนั้นคเออคือคือในความที่ายก็เห็นเห็นเห็นว่าไอ้ที่ ผ่านมาแล้วประมาณสักเจ็ดสบปีแปดสิบยิเก้าสิบปีไแลตั้งแต่เหนือไล่มาเรื่อยๆตามที่ต่างๆนี่ก็เลยถ้าก็เลยอยากจะให้ใหมากกว่านั้นก็คงจะดีก็ว่าก็ เ, าเห็นว่าเวลานี่วัตถุจเจริญมากไอ้ไอ้ทางด้านจิตใจในีน่มันมันมันมันเสื่อมลงถ้าถ้าหากว่าได้ได้มีการเอ่ออะไรฝึกหรือว่า ใช่อาจารย์บบเห็นด้วยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยแม้แต่ในวัดก็ยังมีจะว่าไงสิ่งทําลายพระรรรเป็นวิทยุเทรทศน์เทวทัตเต็มไปหมดในวัดนั่นเป็นของดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าทรงชมเชอหรือตําหน้ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเป็นข้าศึกต่อธ ร, รรมที่สุดก็คือสิ่งเหล่านี้ต่อพระเนีน่ยที่สิงนี้ยกสําหรับโลกเรายกให้เป็นเรื่องโลกใช่ไหมแต่พระนี่งก้านเข้ามาทําลายตัวเองแล้วจะเอาศาสนาไปประกาศศาสนาไรถ้าไม่เอาวิทยุแบกหาวิทยุไปด้วยโทรทัศน์เทวทัศน์ไปด้วยพระเ่านั้นก็ไม่ไป อเอาเทวทัศน์ไปด้วยวิทยุไปด้วยแล้วพระเหล่านั้นถึงจะไปประกาศศาสนาแล้วเอาอะไรไปประกาศเขาโลกเขาเป็นมีเต็มหมดแล้วเรื่องของนี่เอาอะไรเป็นขออาจารย์นี่เนี่ยลำบากต้องขอไปแล้วเราพูดกันเด็กต้องพูดอย่างนี้ดิคือพระผู้เป็นธรรมท่านไปท่านไปด้วยความเหมาะสมของท่านแล้วประกาศศาสนาท่านก็เป็นตัวประกาศอยู่ในตัวของท่านแล้วท่านมีคุณภาพของท่านอยู่นั้นแล้วเป็นที่แน่แจขงท่านอยู่แล้ว ไปที่ไหนก็เสมอคือไม่สูงสูงต่ำต่รุ่มดนอนไม่ผ่านไม่ผล <ฮะ S 1> ผู้มีธรรมไปผิดกัน <ฮะ S 1> อย่างที่เขาอะไรไปเที่ยวประกาศศานาตอนปีไหนให้ภาพเป็แบบกเก้าอี้ให้อธิบดีรกรมศาสนานั่ยมันใช้ภาพไปประกศาะกศที่นร่ถ้าประกาศที่นี่แล้วก็จะมาให้วันนี้ไป มันอะไรทบกัดศาสนะแล้วไปขายที่เขาเห็นอย่างนี้กระวังจะไปขายดีกว่าอยู่ในวัดมันก็ขายพอแล้วกระวังนี่แหละเรย่าไปขายมันกว้างขวางนั่งเลยมันเหม็นคุ้มไปหมดแล้วบ่นเฉพาะจะขอมันก็เหม็นพอแล้วยังไปให้คนอื่นโดนอีกเหรอวะไม่เอาบอกเขาแต่ถ้าวันนี้ไปนะก็ไม่กล้านั่นไปปกครองไม่กล้าไม่กล้ามาบังคับ อยูนี้กประกาศชนะจนแทบตายแล้วนี้รู้ไหมระวางกันวันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องประชาชนมากน้อยอย่างไรดูเอาเระวังแล้วจะประกาศที่ไหนอีกระวังไม่ตายเราบอกนี่เลยเรวมผู้ใหญ่ก็ไม่กล้านะเพราะอันนี้สาอาจารย์ถ้าว่าดื้อมดึงจริงนะถ้ามีเหตุผลจะมาแย้มนะบอกนี่เลยนะถ้าเหตุผลต้องยอมทันทีแตจะมาเอาแบบทุกโลกก็จะใส่ยาห่วงสร็เราไว้จะโลกนี้นะระวาง เรื่องปัญญานั้นมันพูดยากเาะนันไม่เป็นนาเจ้าของมันพูดไม่ได้แหละจะว่าไปัญญาที่ว่านะจะพูดถึงว่าขั้นนั้นแล้วเป็นไงไงถ้าว่าพูดไม่ได้หรือก็เทศสอนพาพผู้จีกวนฟังได้อยู่นี่ะเนี่ยผู้ฟังไม่ไม่เข้าใจก็มีผู้เข้าใจอยู่กันอย่างหนึ่งเนี่ยจะว่างไงนี่ภูมิที่พูดตอนนี้เทศได้ภูมิจะเข้าใจทั้งนั้นและแน่ใจว่าท่านล่านี้เข้าใจเนี่ยทสำนักทกคนอื่นไม่เข้าใจ มันตามขั้นเหมือนในวิชาหมอเนี่ยออกมาข ย, ขยายออกมาเช่นไรกร็ตามสิถ้าไม่ใช่พวกเรียนหมอมันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเป็นหมอแล้วว่างมากแง่ไรก็รู้หมดใช่ไหมแบบนั้นแอันนี้เหมือนการเอาละ ว, วันนี้ออกแค่นี้ก่อนมันนะไ <c oughs> มนควรลนะ